มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวกักสันทะวะปัญหาที่แถามว่าห้ามสันทะวะและไม่ให้ยินดีในที่อยู่เหตุอะไรอนุญาตให้ถายยกสร้างวิหารถวายภิกษุเป็นพระหูสูตรอยู่เล่า สมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นประชาเฉลิมราชจึงตรัสถามพระนาคเษนผู้ฉลาดสืบไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาค เ, เสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชายานสมเด็จพระบรมโลกกานาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูราณะภิกษุทั้งปวงพยังอันว่าภัยจะมีแก่ท่านทั้งหลายเหตุอาศัยสันทวะ คือความรักใคร่เฉยชมและอองทุลีซึ่งได้แก่ราคะโทสะโมหะย่อมเกิดแต่ความห่วงใยในที่อยู่ความเป็นผู้ไม่ห่วงใยที่อยู่และความไม่มีสันทวะสองอย่างเป็นธรรมชาติอันพระมหาหมุนีบรมสุคตเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วโดยแท้จริงแล้วกลับมีพระพุทธดีการตรัส ด, ดังนี้ว่าพิกเวดุราณะภิกษุทั้งหลาย บุรุษเป็นบัณฑิตควรสร้างวิหารอันเป็นที่เรื่อนมรมสําราญให้แก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรอยู่อาศัยดังนี้เป็นการแย้งกันอยู่น่าสงสัยพระผู้เป็นเจ้าจงโปรดวิสัชนาให้เข้าใจในการบัดนี้พระนาคเษนผู้ปรีชาเฉลิมปราดจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ สมเด็จพระบรมโลกกนร า, าศสสดาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าภัยเกิดเพราะอาศัยสันทวะละอองทุลีคือราคะโทสะโมหะเกิดแต่ความห่วงใยที่อยู่และตรัสให้สร้างวิหารถวายภิกษุพระหูสูตรนี้จริงมิผิดเพี้ยนแต่ที่มีพระพุทธดีกาตรัสไว้เชนนี้ด้วยสามารถบัญญัติเป็นสารูปสมควรแก่สมณนะ อันธรรมดาพระโยคาวจรผู้วิเศษแล้วย่อมจะเป็นผู้ไม่ห่วงใยในที่อยู่อุปมาดุดมรึกชาตเนื้อทั้งหลายอันสถิตยอยู่ในไพรสนประเทศราปาเป็นผู้ไม่มีอะไรและไม่ห่วงใยที่อยู่จะอยู่ในประเทศที่นั้นประจำอยู่มั่นคงเป็นหลักแหล่งแห่งเดียวดังนี้หาไม่ได้ยะถามีครุวนาชันใด พระโยคาวาจรก็ไม่ห่วงใยในที่อยู่มีอุปมาฉะนั้นแต่ที่มีพระพุทธดีกาให้สร้างวิหารถวายให้ภิกษุที่เป็นพระหูสูตรอยู่นั้นพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อันเป็นพลานิสงสองประการคือจะให้สำเร็จแก่พระนิพพานดับชาติทุก์ชาราทุก์พยาธิทุก์มารณาทุกเป็นเอกันตบรมสุขประการหนึ่ง คือบุคคลผู้มีศรัทธาสร้างวิหารที่อยู่ลงไว้ในประเทศที่ใดที่นั้นก็เป็นที่อันพระภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายได้พักอาศัยอยู่ผู้ที่มีความประสงค์จะได้พบได้เห็นก็จะได้พบได้เห็นได้โดยง่ายถ้าท่านไม่มีวิหารเป็นที่พักเป็นผู้ไม่มีห่วงใยในที่อยู่เที่ยวจาริกไปหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งมิได้ ก็ยากที่สาธุชนจะได้พบได้เห็นท่านประการหนึ่งสิริเป็นอานิสงส์สองประการด้วยกันฉนี้การสร้างวิหารย่อมมีคุณานิสงส์องป ร, รประการด้วยประการดังนี้เหตุดังนั้นสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสตราจารย์จึงมีพระพุทธดีกาตรัตอนุญาตให้กระทาวิหารให้เป็นทานแก่ภิกษุทั้งหลายอันเป็นพระหูสูตรทรงพระไตรปิฎก ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชาก็ชื่นชมยินดีสาธุการแก่พระนาคเษนผู้ปรีชาญานในการบัดนี้สันทวะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้